ที่บอกว่ารู้ที่คุยกันมาสักครู่อะครับค่ะสมมุติว่าได้ยินเสียงก็คือรู้แค่นี้เหละครับใช่ค่ะแล้วเวลาคุณเดนนี่ได้ยินเสียงเวลาเหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยคะ่ะเดนนี้ได้ยินเสียงเนี่ยคุณเดนนี่รู้ไหมคะว่าได้ยินเสียงพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะะเหรอครับเออพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนขนาดนี้คะ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงดีเทลเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ เขียนไว้นั้นค่ะแต่ว่าการบัญญัติก็เป็นการบัญญัติจากคนรุ่นต่อๆกันมาเพื่อเป็นพระไตรปิฎกหรือเป็นคําสอนให้พวกเราในรุ่นหลังๆเนี่ยได้ทราบค่ะไม่ถึงว่าที่คุยกันเมื่อสักครูอค่อะครับบอกว่าได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงแค่เนี้ยอืมใช่ค่ะเพราะมันเอเพราะมันเป็นธรรมชาติค่ะ ทีนี้เราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองก็ได้พ่อของพวกนี้คือทำของพระเจ้าเนี่ยทนต่อการพิสูจน์เนาะมันไม่ใช่ว่าเป็นความคิดหรือความเห็นของใครแต่พิสูจน์เช่นเมื่อตอนนี้ไม่มีเสียงนะสมมุติไม่มีเสียงเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงไม่ได้หรอกเพราะเสียงไม่มีแต่ถ้าลองเคาะหรือเป่านกหวีดปิดขึ้นมาเนี่ยเสียงมันเกิดเมื่อเสียงเกิดก็คือคือได้ยินถูกไหมแต่ถ้าไม่มีเสียงมันก็ได้ยินเสียงไม่ได้แต่ถ้าเสียงเกิดมันก็ได้ยินเสียง มันเป็นขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันทีนี้อั น, นี้พูดถึงเรื่องเสียงกับหูใช่ไหมเรื่องการได้ยินแต่ถ้าพูดเรื่องตามันก็ต้องพูดเรื่องตาก็คือว่ามีเมื่อมีอะไรผ่านกระทบตามันก็เกิดการเห็นทางตาก็มีอยู่จริงนะทนต่อการพิสูจน์ก็เห็นจริงนะเรื่องเสียงก็คือได้ยินจริงถ้ามีกลิ่นมันก็รู้กลิ่นจริงคือมันต้องแยกเป็นแต่ละขณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราอย่ามาปนกัน ถ้าปนกันเนี่ยมันจะทําให้สับสนว่าทําไมเมื่อได้ยินแล้วทําไมมันมันเห็นด้วยล่ะเอ้ามันคนละขณะกันไงหรือว่าเมื่อได้ยินแล้วทําไมมันคิดด้วยล่ะเอ้าการคิดเนี่ยมันก็ถัดมาไงมันเป็นขณะปัจจุบันถัดมาถัดมาเพราะนั้นกระบวนการทํางานของอายตนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ได้ยินแล้วไม่จะไม่รับรู้สิ่งอื่นมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าอายตนะที่ให้มานี่เนาะมันมีตั้ง6ทางไงใช่ไหมแต่ว่าแต่ละทางมันก็สามารถ ผ่านการเหมือนกับว่ารับรู้สิ่งที่มากระทบได้มันก็เป็นอย่างเนี้ยทุกจนกว่าจะขันห้านี่แตกสลายไปคือดับไปจนกระทั่งว่าไม่มีหูไม่มีตาไม่มีอะไรเนี่ยตรงนั้นละถึงจะรับรู้ทางอายตนะไม่ได้ที่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดกันไม่ทันแต่ว่าเอาละเราก็ถืออย่างว่าในคำพีเขาว่าอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นแผนที่ไปก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครยืนยันได้หรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงเพียงแต่ว่าเราเนี่ยใช้ปัญญาเนาะในการอ่านซึ่งอ่าก็เรียกว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่เอามาเป็นแนวทางว่ามันมีไหมเรื่องทํานองแบบนี้เนาะอย่างสูตรพระพา ย, เยะเนี่ยท่านก็สอนพระพา ย, ยะบอกว่าพระพา ย, ยะนะในการใดแลเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้ง นะในการนั้นเนี่ยตัวเธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกหน้าระหว่างโลกทั้งสองไอเ น, นี้ยคือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าแต่ว่าในคำภีร์มีทีนี้เราก็มาพิสูจน์ว่าอ๋อเมื่อเห็นมันมีจริงไหมการเห็นก็ปรากฏว่าเห็นจริงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเห็นน่ะมันไม่ใช่เธอเห็นแต่การเห็นเนี่ยเห็นจริงการได้ยินก็ได้ยินจริงแต่ไม่ใช่เธอได้ยินใช่ไหมการรับรู้รับรู้มีจริง แต่ไม่ใช่เธอเป็นผู้รับรู้การรู้แจ้งรู้แจ้งในธรรมะรู้แจ้งอะไรก็ตามรู้แจ้งในใจลักอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เธอเป็นผู้รู้แจ้งเมื่อเธอไม่มีในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆเธอก็ไม่มีเมื่อตัวเธอไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติเนาะการได้ยินก็ไม่ใช่เธอได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เป็นเธอกลิ่นก็ไม่ใช่เป็นเธอการรู้กลิ่นก็ไม่ใช่เป็นเธออะไรๆก็ไม่ใช่เป็นเธอคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะ เนี่ยเมื่อไม่มีตัวตนมันก็คือ<ม>ก็ไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครสุขก็คือมันท้นจากความเป็นตัวตนอเอาเป็นปัจจุบันง่ายที่สุดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปหลงคิดหลงทำแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นอวิชชาเนาะเป็เอวิชชาเคยได้ยินคําที่พูดว่าเจงอย่าเชื่อสิ่งใดง่ายๆค่ะแม้แต่คำพูดของ<ส>รัสักครู่นะครับน่าจะเข้าใจคํำถามผมผิดนะครับเพราะว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือการปฏิบัติใช่ไหมครับ คือการมีสติและเลึกรู้ในขณะปัจจุบันถูกต้องไหมครับเราคุยกันเรื่องการปฏิบัติอที่ผมถามเนี่ยก็คือว่าปริยัติเนรี่ยอริยสัจสม่มัคมิองแปดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนี่คือคําสอนพระพุทธเจ้ า, จาถูกต้องไหมครับแล้วการที่เอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเนี่ยที่มาสักครู่ที่บอกว่าเราเลึกรู้เนี่ยคือเสียงได้ยินเนี่ยแล้วก็จบแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคําสอ น, นคืออญญริยสัจสีคือมัคมิองแปดคือปฏิจจสมุปบาทบาที่พพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเหรอครับ คือทำแค่นี้เหรอครับมันบางพูด อ, อย่างนี้คือยก็เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เรากําลังพูดเรื่องไหนเราไม่ได้พูดเรื่องอริยนะสัจสีนะสมมตินะหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องอริยสัจสี่หลวงพ่อไม่ได้ดเรากำลังคุยเรื่องการปฏบริบัติมากไปองแปดแต่หลวงพว่อพูดถูกไหมครับปปผมก็จะถูกใช่ไหมครับเราคุยกันเรื่องการปฏิบัติระลึกรู้ใช่ไหมครับระลึกรู้ปัจจุบันใช่ไหมครับสติปัฏฐานสติปัฏฐานถูกถูกต้องไหมครับคือการปฏิบัติคือที่เมื่อสักครู่อริยสัจสี่มากไปองแปเนี่ย ทุกเนี่ยมันคือปริยัติเสร็จแล้วเราจะเห็นจริงได้เราจะเข้าใจจริงได้มันก็มีฟังใช่ไหมครับฟังการฟังปริยัติเพื่อเข้าใจปริยัติแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าใจทะลุปุโปงคือไม่แทงตลอดเราต้องนํามาปฏิบัติให้เห็นตามปริยัติถูกต้องไหมครับทีนี้ผมกําลังบอกว่าไอ้การที่เรากําลังปฏิบัติรู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงอะครับการได้ยินเนี่ยเราก็บอกว่าได้ยินแค่เนี่ยจบแล้วเนี่ย อันนี้ยคือพระเจ้าสอนแค่นี้เหรอครับอันนี้คือคําถามคือการปฏิบัติที่ทำเนี่ที่สอนเมื่อสักครู่ที่คุยกันนะครับถูกต้องแต่หลวงพ่อเข้าเจ้าที่ที่ถามเมื่อกี้ไฮไลท์ก็คือว่าหลวงพ่อสอนแค่นี้เหรอเอ้ยหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เหรอจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าอ่ะสอนเยอะเยอะหลายสูตรแล้วนะั่นพระไตรปิฎกอ่ะถ้าถสมมติเราจะพูดถึงอนะคําสอนของท่านอ่ะสอนตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสอนหมดเลยสอนเออไม่ไม่ใช่ครับ คือการปฏิบัติเนี่ยครับไอการปฏิบัติที่บอกให้รู้เนี่ยพระเจ้าเอาประยัดมาปฏิบัติเนี่ยที่บอกให้รู้อ่ะได้เย็นเสียงแค่เนี้ยไอันี่ยคืพระเจ้าสอนแค่นี้อย่างเนี้ยหรอเปล่ามาปฏิบัติเนี่ยค่ะแล้วคุณเรนนิ่งคิดว่ายังไงอะคะก็คือผมถามครับว่าพระเจ้าสอนแค่นี้อย่างนี้หรเอเป แ, แ, แล้วคำถามก็แล้วคำถามนี้ละค่ะก็เลยถามคุณเรนนิ่งค่ะว่าคุณเรนนิ่งคิดยังไงว่าการที่เราคุยกันเนี้ยค่ะเราจะ รู้ได้ยังไงแล้วคุณเดนนิงทราบได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอครับอ่าสรุปคําตอบคือไม่มีใครทราบถูกต้องไหมครับมีไหมครับคําตอบนั้นอ่าลองถามคํานี้ค่ะพี่อยากทราบคําว่าใบไม้ในกำมือค่ะคุณเดนนิงทราบไหมคะว่าคือยังไงพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เหรอคะคือไอการที่ได้ยินเนี่ยเราเลือกรู้ในปัจจุบันเนี่ยครับ คำถามผมเนี่ยคือไม่มีใครสามารถตอบได้ใช่ไหมครับไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับว่าพระเจ้ามี <สะ S 2> ทุกคนรู้ค่ะแต่ว่าก็ตอบสิครับตอบสิครับแต่ว่าการที่เราจะตอบเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการตอบเนี่ยระยะยืดยาวคุณคุณนนี้มาตอบคำถามเนี่ย อ, อย่างเช่นคุณว่าไม่ได้ครับตอบแค่ใช่ไม่ใช่ก็ได้ครับอบใใบอใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงด้วยค่ะณนะปัจจุบันคราวนี้ตอบได้ไหมครับได้เลยค่ะคุณนินแองเอร์คุณเรนนิงที่บอกว่า รู้ก็สั่งว่แต่รู้ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นต้องอธิบายเล็กเข้าไปอย่างเช่นว่ารู้เฉยเฉเนี่ยมันเป็นจิตจิตไปรับรู้แล้วเฉยเฉกับมันเฉยเฉยกับมันเพราะว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องมีอะไรที่มามาอยู่ระหว่างนั้นคืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายใ น, ในเชื่อมกันเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกยลิ่นรสปริภูณสัมผัสซึ่งอันนี้จะมาเชื่อมกับข้างนอกตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงอะไรต่างๆจะสัมผัสเสร็จปุ๊บ เกิดเขาเรียกว่าเกิดความรู้สึกเมื่อแบบสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาเวทนาก็มีสุขมีมีทุกขมีสุขมีไม่ทุกไม่สุข3อย่างนี้จิตจะเสวยอารมณ์จะเสวยทุกสุขไม่สุขไม่บางทีก็เฉยเฉยกับมันก็คือไม่สุขไม่ทุกแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วเฉยเฉเนี่ยก็คือจิตไม่เสวยสามอย่างนี้เฉยกับมันทุกก็ไม่เกิดทุกก็ไม่ปรากฏอันนี้เขาเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าฟัง สักแต่ว่าอได้กลิ่นอันเนี้ยอันนี้คือสอนจริงๆแต่ว่าดีเทลเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างเช่นจิตผู้ประสจักษ์ซึ่งแบบอย า, ายตนะภายในเายตนะภายนอกละ่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินกินรถสักแต่ว่ารถจิตก็จะประจากษ์ต น, นั้นหมดเลยอันเนี้พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแต่ว่าดีเทลเนี่ยเราต้องมาลงดีเทลด้วยกันถูกต้องครับ แล้วการที่เราจะวางได้จะไม่มีตัวได้คือต้องเข้าใจอย่างที่คุณวินเซนต์จริงๆริงมันละเอียดกว่านี้อีกคือแต่ถ้าเกิดคุณมาบอกว่าแค่ได้ยินแล้วมันจะแค่สักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วในรายละเอียดรูะเจ้าก็สอนอย่างที่คุณวินเซนต์จริงๆรละเอียดกว่านี้อีกถ้าถ้าเกิดใครที่เข้าใจก็จะรู้แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าแค่ได้ยินแล้วให้วางทันทีเนี่ยพระเจ้าสอนเยอะกว่านั้นว่าต้องวางต้องทํำยังไงถึงจะวางมันเกิดอะไรขึ้น ผมถึงถามไงครับว่าพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เหรอครับถ้าเกิดคุณบอกว่าทําแค่นี้แล้วมันจะให้ผลแบบว่าไม่มีตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณถ้าคุณไม่เข้าใจมันจะไม่มันถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณก็จะคุณก็จะวางไม่ได้โอยจริ ง, รงๆเป็นสิ่ง<ๆ>ที่ดีเลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อสอนหลวงพ่ออ๋อค่ะใครเป็นคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเช่นนั้นใครเนคนรู้ตอบหลวงพ่อก่อนตรงนี้ ใครเป็นคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นสิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยครับมันคือการปฏิบัติถูกต้องไหมครับคือเราเอาคำสอนมาปฏิบัติเลยแหละใช่ค่ะเอาคาสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแต่ถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเอามาปฏิบัติไม่ถูกต้องเราไม่เอามาทําให้มันเข้าใจอย่างเงี้ยครับเราไม่เห็นทุกถ้าเราบอกว่าได้ยินปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่าทําไมมันถึงจะวางได้ทํายังไงมันถึงจะวางได้ ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจอย่างที่คุณวิกวินเซนพูดถึงเนี่ยครับมีการอธิบายว่ามันทํำยังไงไม่เกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าอธิบายละเอียดครับถ้าเราเข้าใจเขาคือพระพุทธเจ้าอธิบายละเอียดถูกต้องค่ะน้องเรนนี่ลองลองหยุดแป๊บหนึ่งนะคะรบกวนค่ะเมื่อกี้หลวงพ่อท่านถามคําถามน้องเรนนี่ตอบท่านก่อนได้ไหมคะว่าใครเป็นคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ ปัจจุบันเนี้ใครเป็นคนรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเกิดเไม่ฟังผมอธิบายก็ไม่เข้าใจอะครับแล้วผมมาหมายถึงใครอ่ะคือการโต้เถียงกันอย่างนี้คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือ ก, ก็ก็แล้วแต่ครับ ถ, ถ้าเกิดถ้าเกิดจะถ้าผมพูดแล้วสิ่งที่ผมพูดมันยากเกินไปที่จะเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสที่ผมพูด <S <S <S <S ก็คือแค่บอกว่าไอ้การที่เอาปริยัติมาปฏิบัติเนี่ย ก็ต้องต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนครับแต่ถ้าเกิดเผอว่าตามไหยะเออหลวงพ่อถามตรงนี้ก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนอัตตาหรืออะนัตตาคือถ้าเกิดจะไม่ฟังผมแล้วก็คือแค่ต้องการที่จะดิสเครดิตหรือต้องการแค่จะแบบมาว่ามาอะไรกันอย่างเงี้ยครับอก็ไม่มีป็นโยชนที่จะการศึกษาเรทุกคนเราทุกคนฟังฟังคุณเรนนิงค่ะแต่ว่าคุณเรนนิงก็ต้องมีเขาเรียกว่าการเว้นระยะให้ผู้อื่นได้โต้ตอบหรือว่าสนทนาด้วยค่ะ เพราะว่าพี่เชื่อ ว, ว่าผู้ที่ประเสริฐนะคะแล้วก็การที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาร่วมกันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณนุ่นนิ่ต้องเห็นค่ะนะคะว่าปากติแล้วเนี่ยคนไหนเนี่ยที่เป็นผู้ที่ไม่รู้แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะนะคะก็ยังถือว่าเป็นคนที่ฉลาดนะคะแต่ถ้าคนใดเนี่ยที่ไม่รู้แล้วก็สําคัญตัวเองว่ารู้นี่ยนะคะอันนั้นน่าเป็นผู้ที่โง่แท้จริงนะคะเออ สมวยพรขอขอพูดด้วยสดนะคะได้ค่ะศอินดีค่ะสมอชยพรก็เข้าห้องธรรมะหลายๆ ห, ห้องธรรมะนะคะก็มีห้องธรรมะที่มีทั้งละเอียดมีทั้งเบื้องต้นมีทั้งนู่นนี่นั่นหลายๆหลากหลา ย, ลายมีทั้งรูปแบบพระรูปนั้นพระรูปนี้นะคะ่ะแต่สิ่งที่ชมัยพรได้เรียนรู้นัดที่นี้คือสิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่ชมัยพรสามารถเข้าใจได้และค่อยๆฝึก ตามแล้วค่อยค่อคิดตามไปทีละขั้นทีละตอนโดยที่สมัยพรไม่ได้คิดถึงจุดจุดมุ่งหมายสุดท้ายว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้นั้นคืออะไรแต่สิ่งที่สมัยพรเรียนรู้จากตรงเนี้ยค่ะคือได้รู้ว่าตัวเองจะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดค่ะเราเห็นไหมเราเข้าใจไหมนะจุดนี้อะไรที่เราสงสัยและที่เรายังขัดแล้วหลวงพ่อมาช่วยเปิด เปิดตาให้เราเห็นให้เราเข้าใจในการใช้ชีวิตปัจจุบันไหนนี่คือสิ่งที่ชมพชอนเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเรียนรู้ว่าอ๋อคำว่าเราการที่เรามีตัวตนหรือเราไม่มีตัวตนนั้นแปลว่าอะไรอาจจะวันนี้ พิงคำนี้แต่พรุ่งนี้ลืมแล้วก็เข้ามาฟังใหม่ว่าอะหลวงพ่อเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดให้เราจาได้ดจเมมโมรีเพิ่มจาก1ได้กลายเป็น2เพิ่มจาก2ไปเป็น3แล้วก็ไม่ลืมแล้วชมกรพรก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจจะถึงขั้นที่เราไปฟังห้องอื่นๆ บรรทัดฐาน อ, อื่นๆแล้วก็เข้าใจาหรือไม่หรือเข้าใจอย่างที่คุณนีเรนนี่เข้าใจแล้วคุณเรนนี่กําลังสะท้อนกลับมาวันหนึ่งชมาทพอน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อาจจะไปถึงตรงนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ชมาทพอนคือ beginner แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนในคนหลายๆค น, ๆค น, ๆคนๆในห้องนี้ก็เป็นกิน i n n e r ที่กําลังค้นหาคําว่าเราคืออะไรเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกๆคําสอนนะคะ พระพุทธเจ้าเองก็มีหลากหลายวิธีที่จะสอนคนแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละออความคิดแต่ละแนวว่าจะต้องสอนแบบไหนสอนแบบไหนเหมือนกับคุณครูค่ะที่จะสอนห้องนี้สอนแบบไหนห้องนั้นสอนแบบไหนแต่สุดท้ายสิ่งที่นำมาสอนน่ะมันก็มีแก่นเหมือนเหมือนกันแต่ว่าจะถึงเวลาที่ที่จะใส่สิ่งนั้นให้คนคนให้คนกลุ่มนะั้นแล้วหรือยัง อันนี้ค่ะสิ่งที่สมัยพ่อได้รับก็เลยอยากจะแชร์ขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะคือประเด็นที่ผมพูดก็คือแค่ว่าปริยัติเนี่ ย, อยสอนอย่างเนี้ยพอมาปฏิบัติอะ่ะก็คือให้มันถูกต้องตามตามปริยัติแค่นั้นเองครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าคือพอผมมาพูด <c oughs> แล้วไม่ถูกใจก็มาว่ามาแบบเออคุณมีตัวตนคุณมีอัตตาอะไรอย่างเงี้ยคือผมคงบอกว่าคือไปเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าถ้าจะมาบอกว่า สิงที่ผมพูดแล้วไม่ฟังแล้วแล้วก็มาอ้าวคุณนี่อัตราคุณมีตัวตนอะไรทํานองเนี้ยครับอ๋อเมื่อกี้ยังไม่เคยไม่ได้มีใครมาบอกว่าคุณเดนนี่มีอัตราหรือตัวตนเลยค่ะถ้ามีบันทึกเทฟเทฟลงไปเปิดฟังดูก็ได้ครับเออคุณนีก็ได้ก็ได้ครัว่าบายสองหลวงพ่อมีเปิดนะว่าใครว่าใครว่าเป็นอัตราไหมได้ค่ะดังนั้นเดนเชิญคุณเดงนี่มาฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่จริงวันนี้หลวงพ่อก็ตั้งชื่อเรื่องดีนะและตรงเป้าด้วยเนาะ ใช่ค่ะเห็นเลยค่ะหลวงพ่อสนทนาเรื่องรู้ตัวเราค่ะก็เป็นธรรมดาปกตินะเพราะว่าของพวกนี้ว่าไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันง่ายๆเนาะต้องสะสมต้องสรุปคําตอบผมนี่คือมีมีคนตอบไหมครับหรือว่าไม่มีคดี๋ยวตอบวัเนี้เนาะคือย่างนี้เดี๋ยวหลวงพ่อขออธิบายเพื่อทําความเข้าใจก่อนหน่อยนะว่าตอนเนี้หลวงพ่อเข้าเรื่องประเด็นว่ารู้ตัวเราคือกลับมารู้ตัวเรารู้ตัวเราก็คือ ไอ้รู้ที่ตัวเราเนี่ยว่าตัวเราตอนนี้มันมีปฏิกิริยาทางกายอย่างไรเช่นร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกใช่ไหมหรือว่าทางจิตใจเนี่ยตัวเราเนี่ยมันกําลังคิดกําลังนึกกําลังมีความรู้สึกประการใดให้รู้แจ้งต่อปัจจุบันขณะเดียวนี้หมายความว่าเราเรื่องอื่นเนี่ยที่เรารู้เรื่องคนอื่นเนี่ยวางไว้ก่อนแต่ให้กลับมารู้ที่ตัวเพราะในตัวเราเนี่ยมันแสดงอาการอยู่เนาะการเคลื่อนไหวเนี่ยที่หลวงพ่อกําลังมีก็ได้เนี่ยตรงนี้กำลังอาา้าปาขยับขยับ กำลังเอ่ขอข้อนิ้วอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เขาเรียกว่ากลับมารู้ที่ตัวแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดทางอารมณ์เนี่ยมันก็มีตามเร่อของขันห้าที่มันมีความคิดมีความรู้สึกความรู้สึกอย่างไรอย่างไรก็คือให้รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือกำลังเข้าประเด็นในเรื่องตรงนี้ไงเออไหมคผมคเนี้ตอบได้ไหมครับาเเชิญค่ะคุณ เ, เรนน่ผมว่าแบบ ที่หลวงพ่อบอกก็คือการส่งจิตออกคือส่งจิตออกสมมุติว่าตามเรื่องตามราวสมมุติว่าผมจะเปรียบเทียบเหมือนการนั่งสมาธินะเมื่อเรานั่งเสร็จเราหลับตาแต่เมื่อเราเปิดตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากกว่าเช่นเรามองเราอะไรเงี้ยเราส่งจิตออกไปเห็นต้นไม้ใบไม้อะไรต่างจะมีจินตนาการความคิดความปรุงแต่งตามมาแต่ผมจะยกตัวอย่างที่ง่ายกว่านั้นก็คือการหลับตาแล้วนัการส่งจิตออกก็คือการคิดไปตามเรื่องราว คิดว่าเฮ้ยนี่บ้านนะนี่รถนะนี่ดอกไม้นี่อะไรต่างๆคือไม่รู้ตัวเราคือเมื่อรู้สึกว่าเฮ้ยเราหายใจหายใจเข้ารู้ออกรู้อยู่เนสิ่งเหล่านั้นจะหายไปวัดทันทีจะกลับมารู้เราหายใจรู้เราหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโผลแต่ว่าอยู่ๆก็ไปอีกก็คือไปตามเรื่องตามราวไปนั่งรถไปดื่มกาแฟไปอะไรต่างๆไม่รู้ว่านั่งอยู่ไม่รู้ตัวเราละว่านั่งอยู่ก็เลยมีสติ ดึงมาได้เฮ้ยเรานั่งสมาธิอยู่นะเรากาลังหายใจเข้าพูดหายใจออกดึงกลับมาคล้ายๆวันนี้คือขั้นกัรก็คือให้รู้ตัวอย่างนี้ตลอดตลอดจิตคิดไปรู้ทันดึงกลับมาจิตคิดไปรู้ทันดึงกลับมาจิตคิดไปรู้ทันดึงกลับมาเงนี้ยตลอดเลยอันเนี้ยให้รู้ตัวเสมอเมื่อรู้ตัวอยู่ตลอดตลอดตลอด่จิตจะไม่สุกออกนอกกิเลสต่างๆที่เข้ามานี่ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้คือความคิดมงแต่งอันนี้ อันนี้ความคิดฟุ้งซ่านอันนี้อะไรต่างๆมันจะเห็นมาจิตจะละเอียดแล้วจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นเป็นเลเยอร์อันนี้คือนะนี่ไม่รู้ตัวแล้วนะนี่กาลังส่งจิตออกนี่กําลังโกรธโกรธจากสังหารที่ปรุงแต่ ง, งเช่นว่าไปเห็นเขาไม่ทําไม่ถูกใจสิ่งที่เราแบบคิดว่ามันถูกต้องอันเนี้ยก็คือเป็นเลเยอร์เหมือนกันที่ว่าเฮ้ยเริ่มไม่พอใจจิตเริ่มกรธรู้ทันความโกรธนั้นความโกรธอันนี้จะรู้ทัน เมื่อรู้ทันอย่างนี้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสติจะคมเมื่อยิ่งคมเนี่ยจิตจะส่งออกนอกก็ยิ่งยากขึ้นก็จะรู้ตัวอยู่เสมอว่าอะไรโกรธเกิดขึ้นก็ตัดได้ตัดเร็วตัดอะไรต่างๆความโลภโกรธหลงก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้เป็นประมาณนี้ครผมอุปมาในการนั่งสมาธิดีกว่าเพราะมันจะเห็นชัดภาพชัดกว่าแต่ถ้าเป็นอุปมาในด้านแบบตาเห็นอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะ ไปไกลกว่านั้นแล้วมันมันรู้สึกผมประมาณยากไปครับผมประมาณนี้ครับคุณเลนนิงขออนุญาตพูดได้ไหมครับกาบเรียนรัฐกรารน์หลวงพ่อนะครับเ อ, อคุณคุณเลนนิงนะครับคือคือค อ, อย่างอย่างอย่างที่ผมคืออย่างนี้นะฮะอยากจะบอกคุณเลนนิงว่าคุณเล n นิงลองอันดับแรกนะฮะเราจะต้องมีศรัทธาศรัทธามาก่อนนะครับ เออศรัทธาในในในในหลวงพ่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคนเรียนนิ่งว่าไม่มีศรัทธานะครับแต่เราต้องเชื่อผู้เจ้าไปก่อนเป็นศรัทธานุสาวรีเราต้องเชื่อว่าเออเออพระเจ้าบอกว่าตัวเราไม่มีคือเราถ้าเรารู้ว่าตัวเราไม่มีอ่ะอันนี้เราก็เป็นพะระโสาบัญขั้นต้นนะฮะเริ่มจะเข้าสู่กระแสของพะระโสาบัญแล้วเราต้องค่อยค่ศรัทธาไปก่อนเสร็จแล้วเกิดสงสัยอ่ะ แล้วก็พิสูจน์ความจริงทิ้งและฟังไปก่อนนะครับอย่างนี้มันจะจริงๆแล้วการโต้อตอบไม่เป็นสังขารนะฮะทั้งทั้งผู้ผู้พูด ผ, ผู้ถามและผู้พูดเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งคู่อะฮะอย่างที่หลวงพ่อพูดเน่ยมันจะตอบกันไม่มวลที่สิ้นสุดแต่เราต้องฟังไว้ก่อนพอเราอยากถามปุ๊บเรารู้ว่าเออเรารู้ตัวตรงนี้ว่าเรากำลังจะถามเนะ่ยเราลองลองเลยเบรคนิดหนึ่งคือเราจะมีสติสมัมปชัญญะ อ, อย่างที่คุณวินเซนต์พูดนะฮะว่า เราลองฟังไปก่อนเราไม่รู้อยากพิ้งอย่าเพิ่งนั่ฮะอย่ากพิ่งมีความคําถามลองฟังฟังไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราเชื่อเราต้องเชื่อพระผู้เจ้าก่อนฮะก่อนอื่นเราต้องศรัทธาศรัทธาในตัวพระผู้เจ้าก่อนว่าท่านพูดจริงนะครับนึ่งปริยัติก็ใช่ถูกต้องเอ็นพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเป็นแผนที่แต่นี้ตัวตรงนี้ฮะตรงตรงนี้เป็นตัวที่บอกว่าเารู้ตัวเราหรือเราเราตัวเราไม่มีเนี่ยอันนี้เป็นเป็นขั้นขั้นอีก คั้ น, นสูงสุดนะฮะถ้ารู้ว่าพเจาบอกว่าถ้าเราดับลายเนี่ยดับใดที่เราไม่ตัวเราไม่มีเนี่ยฮะคือเราจะบรรลุธรรมได้คืออยากจะให้คุณเดนนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคือให้ศรัทธาไปก่อนแล้วฟังไปเรื่อยๆฟังไปสักระยะหนงเนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองครับแล้วคาถามที่คุณเดนนี่ถามเนี่ยฮะจะเข้าใจคือมันคือคําถามมันมาจากสมองเป็นเป็นสังขารฮะสังขานี้พระเจ้าบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนทางการบรรลุธรรม ครับเราต้องฟังไปก่อนนะเกิดศรัทธาในในทางทางพระศาสนาศรศัทธาในหลวงพ่อไปก่อนนะครับถ้าฟังไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าท่านคุณเดนนิงจ้งเกิดปัญญาขึ้นครับคือตอนนี้มันจะมีคําถามมากมายแต่แต่พวกเรานี้จ ะ, จะเข้าใจว่า อ, อ, อธิบายคุณเดนนิงตอนขนาดนี้อาจจะไม่ได้อาจจะตอบไม่ตอบคาถามไม่ตอบตอบไม่ตรงประเด็นคําถามทีออ่อยากจะปฏิบัติยังไงคือเป็นตัวอยานะ่าง อย่างยากคที่นี่เคยเคยบอกว่าตัวอย่ากมันเกิดปัญหาละปัญหาเกิดโอภาทานเกิดภพเกิดชาติมันเกิดมันเข้าไปในสปิติตดัชสมบาสนะครับลองลองเราลองฟังไปเรื่อยๆก่อนพอฟังแล้ว เ, เราจิตเราสงบขึ้นนะฮะเราจะเข้าใจเองครับว่าหลวงพอ่อท่านพูดอะไรค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อเลยครับคุณเดนนี่ต้องทําไดา้ตอนนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ตอบคําถามนะครับว่าเรายังมีข้อสงสัยมันเป็นสังขารอยู่ฮะที่หล ก็ขอบคุณว่าคุณกิตคุณคือคืออย่างนี้ครับคืออ่าที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าที่ที่สอนน่ะนี่คือการสติระลึลกรู้ปัจจุบันใช่ไหมครับก็คือถ้าถ้าถ้าสอนอย่างคุณที่คุณวินเซนต์พูดอ่ะโอเคผมผมไม่ได้มีปัญหาไม่ขาดไม่แต่ว่าทีเนี้ยมันอ่าท่านสอนเหมือนที่ทางคุณกิตพูดนะครับคือคท่านสอนถึงเรื่องการไม่มีตัวคือถ้าเป็นสอนตามเนี้ยพุทธเจ้า จะเอามาปฏิบัติเนี่ยครับมันต้องเข้าใจการปฏิบัติก็คือการเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างงี้ครับมันจะเลยสเตปจากที่คุณวินเซนต์พูดไปอีกระดับหนึ่งอ่ะที่คุณกิดพูดก็ถูกต้องครับคือมันจะสูงขึ้นไปอีกครับใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยการที่จะเห็นได้เนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยมันคือการเห็นแล้วก็เห็นทุกคือมันต้องเห็นมันต้องเห็นมันคือการปฏิบัติมันต้องเห็นจริงๆ ครับจริงๆแล้วที่ทุกข์กับสุขนะมันมีแง่ทั้งที่จริงๆแล้วสุขมันจะเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งเป็นสังเป็นเิจนามิจฉามันก็ชอบไปดีสู่ของเภพชาติแล้วที่นี่เราต้องการที่คือคือมันต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นครับมันถึงจะละถึงจะวางได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ครับคุณเลนี่เห็นยังงครับว่าเกิดทุกข์แต่ที่เนี้ยพอเวลาคุณ หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่สอนให้เห็นไม่สอนให้รู้ในสิ่งที่ตามคําสอนพุทธเจ้าหลวงพ่อแบบชัดเลยก็คือเอาแค่เหมือนแค่รู้อย่างที่คุณวินเซนต์พูดแล้วก็ตัดตอนไปเลยว่าไปจบเลยอย่างเนี้ยครับซึ่งคือคือพอไม่สอนตามคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยการปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลมันก็จะไม่ได้ผลตามที่พุทธเจ้าสอนเพราะว่าคือสอนแค่ต้นแล้วก็ไปจบเลยออออออขอเลืนนนหน้าขอขอขอนิดนึงนะคะ เนื่องจากสมัยพรเป็นเด็กยิงกินเนอเ อ, อ่ออยากจะบอกคุณเรนนี่ค่ะว่าอยากที่อยากอันนี้ด้วยความเครบรอนะคะคืออยากคิดแทนคนอื่นอย่างเช่นถ้าคุณเรนนี่พูดอย่างเงี้ยอ่ะสมัยพรไปไม่ถึงหรอสมัยพรนี่มีความก้าวหน้าเหรอเราไม่ใช่ครับเราไม่ใช่ครัสมัยพรทั้ทงทั้งที่สมัยพรรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าแต่ขนาดเนี้ยที่คุณเรนนี่กําลังพูดเนี้ยเหมือนกับว่าที่ข้าหลวงพ่อสอนเนี้ย ชไมาพรไม่ก้าวหน้าชไมาพรไม่ได้เรียนรู้อะไรในที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลยคุณโดยนี้ตัดสินแทนคนอื่นได้ยังไงอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งคนละที่คุณเกรนนี่กาลังตัดสินคือตัดสินแทนตัวชไมาพรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่คุณชไมาพรพูดคือสิ่งที่คุณเไมคาพรคิดไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดสิ่งที่คุณพูดก็คือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่ผมคิดคือสิ่งที่ผมพูดก็คือว่ามันไม่ตรงตามคําสอน พระเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้พระเจ้าสอนละเอียดกว่านี้เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดค่ะใช่เพราะคุณพูดจากสิ่งที่คุณคิดค่ะใช่ครับคือผมมองว่าอ่าอย่างที่คุณที่ผมถามครับว่าพระเจ้าสอนแค่นี้เหรอซึ่งอย่างคุณวินเซนต์เข้าใจที่ผมพูดก็คุณวินเซนต์ก็อธิบายว่าจริงๆพระเจ้าสอนเยอะกว่านี้ใช่ค่ะเมื่อกี้เราก็คือการปฏิบัตินะครับคือการเอาคำสอนเอาปริญญามาปฏิบัติแต่ว่าผมอันนี้ผมพูดถึงคําสอน คำสอนเอามาปฏิบัติคือถ้าเกิดปฏิบัติตามปริัตา <ขอ S 2> ถูกต้ก<ข>องเ น, นี่ย <ขอ S 2> มันก็จะคึงขอโทษนะครับค่ะคุณต่อค่ะคือผมนั่งฟังประเด็นนี้อยู่ประมาณส0 2ยี่สิบนาทีได้แล้วเนะาะคือ <laughs> มันเกิดคำถามครับว่า คือผมไม่รู้ผมเป็น beginner น, นะผมเป็น beginner น, น่าจะ beginner ก, กว่าคุณเฉยไมพอนด้วยซ้ำเป็นอย่างงี้ น, น, นเี้ขออนุ ญ, ญาตคุณหมอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะอาจจะต้องให้เออเออหลวงพ่อท่านพูดก่อนค่ะเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อท่านอาจจะต้องมีมีกิจค่ะมีกิจต่อค่ะเชิญหลวงพ่อเลยนะคะสิ่งที่หลวงพ่อจะฝากไว้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คือต้องรู้ตัวพูดอยู่ก็รู้คิดอยู่ก็รู้เกิดความรู้สึก อะไรในใจอยู่ก็รู้กลับมารู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้ตรงนี้หลงแน่นอนเพราะว่าเรากำลังปฏิบัติ ด, ด้วยการรู้ไม่ใช่ด้วยการไม่รู้ไม่รู้เมื่อไหร่คือหลงนะขอเน้นตรงนี้จริงๆว่าเรื่องรู้นี้ให้มันมีประจำตัวเอาไว้เลยรู้อะไรก็ได้แต่ไม่ยึดถือสิ่งใดนั่นแหละคือพระพุทธเจ้า ป, ปล่อยสอนในเรื่องของการปล่อยวาง